ในข้อ135ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญพระอนนท์นะก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพานพระองค์ก็ได้สรรเสริญพระอนนท์เอ่อต่อพระพิสุท์ทั้งหลายว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพิสุท์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายแม้พระอรหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใดไ ด, ได้มีแล้วในอดีต เกิดพระพุทธเจ้าในอดีตที่ล่วงผ่านมาภิกษุผู้อุปถาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนพระอานนุ์ผู้เป็นอุปถากแห่งเราคือผู้ที่เรียกว่าเคยปฏิบัติดีมาแล้วผู้ที่เคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในอดีตในอดีตพระองค์เหล่านั้นพุทธอุปถากเยี่ยมก็เสมอเข้ากับพระอนุ์เพราะพระอนุลนั้นไม่เคยทําหน้าที่ให้ บกพร่องเพราะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตสาวกเหล่านั้นก็ปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามาโนกรรมเช่นกับพระอนนท์นี่แหละแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใดจกมีในอนาคตภิกษุผู้อุปถาก ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างยิ่งก็เหมือนอานนท์ผู้เป็นอุปถาแห่งเรา พยโยงว่าพระอพระนนเนี่ยเสมอกับพุทธอุปถากในอดีตและอนาคตเนี่ยนะมันแสดงว่ารับรองเครื่องหมายว่าที่สุดแล้วถึงสุดยอดถึงสูงสุดว่าเสมอกันในฐานะพุทธอุปถากทั้งหลาย อ, านนอนนท์นั้นท่านเป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ที่ฉลาดเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในขันทาศอายยตนะพระนนนั้นย่อมรู้ว่านี้เป็นการเพื่อจะเข้าเฝ้าพระตถาคต ท่านรู้นะเวลาไหนควรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เวลาไหนไม่ควรเข้าเฝ้านี้เป็นการของพวกภิกษุนะว่ารู้เลยว่านี้ต้องแบ่งเวลาให้พระภิกษุแล้ว น, นำพระภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างไรนี้เป็นการของพวกภิกษุณีนี้เป็นกาละของพวกอุบาสกนี้เป็นกาละของพวกอุบาสิกานี้เป็นกาละของพระราชา น, นี้เป็นกาละของราชมหาอมาตย์ นี้เป็นกาละของพวกเดรัจีนี้เป็นกาละของสาวกของพวกเดรัจีคือจัดลําดับในการเข้าเฝ้าท่านเป็นเนี่ยนะท่านแบ่งเวลาให้คนเข้าเฝ้าได้อย่างถูกต้องขณะเดียวกันเนี่ยพระนนทก็เป็นคนที่ฉลาดเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสคําเดียวเนี่ยพระนนจะรู้ทั้งหมดว่าพระองค์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรแทบเรียวกว่าไม่ต้องไปทวนถามอีกเลยเนี่ยนะ เ, เช่นประตูแง้มประตูไม่แง้มคึก ดูกุฏิแล้วรู้เลยว่าพราะองค์ต้องการอะไรต่อเ น, นี้ก็ล้วก็รู้ใจกันขนาดนั้นอพ่างนั้นก็ พ, นพระพันนจึงเป็นสุดยอดของอุปถากเนี่ยนะมันพระองค์ก็เลยตรัสยกย่องสรรเสริญพระอานอนท์ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็เกี่ยวข้องด้วยความาฉลาดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าว่าเวลาไหนควรจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วกิจหน้าที่ของตัวเองต้องทําอะไรบ้างคือคนที่เป็นเป็นฉลาดฉลาดเนี่ยนะ เขาไม่ใช่ทำอะไรแค่อย่างเดียวเขาทำได้หลายเรื่องบริหารจัดการได้หลายอย่างเนี่ยนะความรับผิดชอบได้หลา ย, ลายอย่างด้วยกันังนั้นความรับผิดชอบโดยเฉพาะว่ารับผิดชอบต่อผู้ที่ใกล้อ่ผู้ที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเนี่ยนะซึ่งท่านท่านนนท่านก็ทำได้นะว่าเวลาไหนตัวท่านเองควรจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เวลาไหนหมู่พ be ิกษุและพิสูุเนี่ยมาจากหลากทิายเนี่ยนะมาจากทั่วสารทิศมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและพิกษุเหล่าใดเหล่าใดภิกษุเหล่าไหนเหล่าไหนเป็นอย่างไรจะเข้าเฝ้าได้เมื่อไรอย่างไรนะบางทีเนี่ยบอกว่าโนนท์ต้องไปเจอนนท์ที่ท่านนาบางทีนะในอย่างพระพิสูจบางกลุ่มอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนนบอกไปรอที่โน่นเลยนะเดี๋ยวได้เวลาแล้วพระองค์จะไปที่นั่นเองทั้งทั้งที่ยังไม่ได้คุยกับพระพุทธเจ้าเลยนะบอกไปรอโน่นได้เลยเดี๋ยวจะได้เฝ้า เพราะว่าเดี๋ยวพระองค์ก็นี่ก็เสด็จไปอย่างนั้นจริงๆนะก็เป็นไปตามอย่างที่แนวที่พระอนุนคิดพระอนุนไม่เคยบังคับไม่เคยอะไรเลยนะอย่างมาบอกทางนี้ได้ไหมพระเจ้าข่าพระองค์ก็บอกได้ก็ไปแค่นี้เองแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่เคยสร้างความลำบากใจให้พระพุทธเจ้าเลยเนี่ยก็คือพระอานนุ์และพระอนุนนั้นความสามารถของท่านเก่งถึงขนาดว่าภาษาริบุตรก็ยอมรับเนี่ยนะภาษาริบุตรภาษาลิบุตรเคารพยอมรับพระอนุนมาก เห็นไหพันพระสารีบุตรได้ลูกศิษย์มาต้องให้พระนนทเป็นอุปชาบวชให้พระนนท์ไลูกศิษย์มาก็ต้องให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบวชให้ตัวเองเป็นคู่สวดเอ่อเป็นเป็นอาจารย์สวดให้เองนะสวดบวชพระให้เองเลยแล้วก็พระนนกับพระมหากัะสป่านั้นคุ้นเคยกันมากคือพระที่ดีที่เก่งได้รับการยกย่องเนี่ยพระนนคุ้นเคยหมดคือพระนนเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนนะนะ เป็นมิตรกับทุกคนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอย่างนางวิสาขาก็เลื่อมใสามากในพระนอนนท์ก็ถามว่าถ้ า, าถ้าจะให้ใครเฝ้าวัดเชตวันเนี่ยจริงจบางครั้งนางเนี่ยอยากนิ ม, มนต์พระนอนนท์อยู่มากแต่ว่ามันก็ยากะนะไม่ใช่ว่าของง่ายเพราะพระนอนนท์นี่เป็นพุทธะอุปถาประจําของพระพุทธเจ้าเพราะพระนอนนท์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่น่าอัศจรรย์อยู่ในตัวของพระนอนนท์หลายประการได้ด้วยกันเนี่ยนะแค่ว่าสิ่งที่ไม่เคยมีมา เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สําหรับพระอ น, นุนี่มีสู่รสี่อย่างในข้อหนึ่ร้อยสาโร่งตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอัภูตธรรมสิ่งที่ไม่เคยมีมาและเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์4ี่อย่างเหล่านี้มีอยู่ในพระอ น, นุนอัภูตธรรมคือสิ่งที่ไม่เคยมีและน่าอัศจรรย์ในพระอ น, นุนสี่อย่างเป็นไฉนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าพิกษุบริษัทเข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอ น, นุน ภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีได้ด้วยการเห็นคือเห็นพระนนก็สบายใจแล้วว่ากันได้ถ้ายิ่งพระนนแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้นภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีแม้ด้วยธรรมะที่พระนนแสดงแล้วภิกษุบริษัทยังไม่อิ่มเลยท่านพระนนก็นิ่งในเวลานั้นคือเป็นคนที่ไม่จะวัดพูดพูดพูดซ้ำหน่อยนะท่านก็พูดเยอะละแสดงมากละแต่ว่าฟังยังไม่ทันอิ่มพระนนก็เลิกเทศแล้วอย่างเงี้ยนะ คือมีความสุขที่จะฟังมากดีใจมากที่ได้ฟังธรรมอ่ะนะคืออยากฟังให้มากอยากฟังให้เยอะอยากฟังอย่างต่อเนื่องแต่ว่าความที่พระนนเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะแสดงธรรมโดยที่คนฟังไม่อิ่มก็แปลว่าไม่เบื่อคือถ้ารู้สึกอิ่มเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มล้นถ้าล้นเมื่อไหร่มันก็เบื่อขึ้นเพราะฉะนั้นพระนนเนี่ยจะไม่ลักษณะนั้นแสดงธรรมไม่เคยใครว่าคนฟังไม่เคยอิ่มเลยนะถ้าภิกษุณีบริษัทยอนะนะันนั้น เข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอนนท์ภิกษุณีบริษัทนั้นย่อมยินดีด้วยการที่ได้เห็นถ้าอนนท์แสดงธรรมในภิกษุณีบริษัทนั้นภิสุณีบริษัทนั้นก็ย่อมยินดีแม้ด้วยธรรมะที่แสดงแล้วพิสุณีบริษัทยังไม่อิ่มเลยอนนท์ก็นิ่งในเวลานั้นความสามารถของท่านว่าโหพิกษุณีนี้ก็มีความสุขที่จะฟังพระอานนท์แสดงธรรมแล้วก็ถ้าอุบาสกบริษัท เข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอานนท์อุบาสกบริษัทนั้นก็ย่อมยินดีด้วยการที่ได้เห็นถ้าอนนท์แสดงธรรมในอุบาสกบริษัทนั้นอุบาสกบริษัทนั้นก็ย่อมยินดีแม้ด้วยธรรมะที่แสดงแล้วอุบาสกบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งในเวลานั้นอุบาสิกาบริษัทเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านจะเข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอานนท์อุบาสิกาบริษัทนั้น ย่อมยินดีด้วยการที่ได้เห็นถ้าอนน์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นอุบาสิกาบริษัทนั้นก็ย่อมยินดีแม้ด้วยธรรมะที่พระอนนแสดงแล้วอุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นภิสูุทั้งหลายอัภูตรธรรมที่น่าอัศจรรย์เรียกว่าธรรมที่ไม่เคยมีและน่าอัศจรรย์4ี่อย่างเหล่านี้แลมีอยู่ในพระอนนท์แล้วก็สิ่งที่น่าอัศจรรย์ของพระอนนท์เนี่ยเยี่ยงกับพระเจ้าจักรพรรด ก็เลยยกตัวอย่างว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายอภูตธรรมธรรมที่ไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นน่าอัศจรรย์สี่อย่างเหล่านี้มีอยู่ในพระเจ้าจักรพรรดิรนดับแรกท่าขัตติยะบริษัทเนี่ยนะก็คือพวกกษัตริย์ทั้งหลายปรารถนาจะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิขัตติยะบริษัทนั้นย่อมยินดีด้วยการที่ได้เข้าเฝ้าถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระดารัสคือพูดคุยกับกษัตริยบริษัทนั้น ขติยาหรือกษัตริย์บริษัทนั้นก็ยินดีแม้ด้วยพระดํำรัสขัติยะบริษัทยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจากักรพรรดิก็สงนิ่งในเวลานั้นนะแม้กระทั่งพราหม์บริษัทครือหบดีบริษัทสมณบบริษัททั้งหลายเนี่ยนะท่าน บ, บุคคลกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิสมณบบริษัทนั้นย่อมยินดีด้วยการที่ได้เข้าเฝ้าคือทุกคนเนี่ยดีใจคล้ายๆกับไปเฝ้าในหลวงไงไหม ทุกคนก็มีความสุขมากที่ได้เข้าเฝ้าอยากจะเข้าเฝ้ามานานแล้วอยากจะฟังเสียงท่านอยากจะคุยกับท่านเป็นต้นเนี่ยนะเพราละะ น, นท่าพระเจ้าจักรพรรดมีพระดํารัตในสมณบริสัตนั้นสมณบริสัตนั้นก็ยินดีแม้ด้วยพระดํารัสสมณบริสัตนั้นยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจักรพรรดย่อมทรงนิ่งในเวลานั้นฉันใดก็ดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัภูตธรรมธร ร, รรมที่ไม่เคยมีมามีขึ้นและน่าอัศจรรย์สีส่อย่าง มีอยู่ในพระอานนท์ฉันนั้นเหมือนกันถ้าภิกษุบริษัทเข้าไปใกล้เพื่อจะเห็นพระอานนท์ภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีได้ด้วยการที่ได้เห็นถ้าอนนท์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนัน้นภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีแม้ด้วยธรรมะที่พระอนนท์แสดงแล้วภิกษุบริษัทยังไม่อิ่มเลยพระอนนท์ก็ย่อมนิ่งในเวลานั้น พิสุนีบริษัทเข้าไปก็เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะแต่เด้เข้าไปหาท่านพระอนน์อุบาสิกาบริษัทเหล่านั้นย่อมยินดีด้วยการที่ได้เห็นอ น, อนนท์ถ้าอนอนท์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นอุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดีแม้ด้วยธรรมะที่แสดงแล้วอุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลยอ น, อนนท์ย่อมนิ่งในเวลานั้น ดูกรพิสูจนทั้งหลายอัพภูตรธรรมธรรมที่น่าอัศจรรย์สี่อย่างเหล่านี้แลมีอยู่ในท่านอ น, นุนหรือในพระอ น, นุนเนี่ยนะเยี่ยงกับพระเจ้าจากักรพรรดิพระอ น, นุนเนี่ยนะโดยสัพท์อ น, นันทะแปลว่าผู้เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจว่างั้นเถอะคือเห็นพระอนุนนี่ก็สบายใจแล้วถ้ายิ่งฟังธรรมของพระอ น, นุนแสดงก็ยิ่งสบายใจยิ่งขึ้น บรรยายละเอียดเพิ่มเติมในอัตกรถาที่บอกว่าพระอนนนั้นเป็นบัณฑิตก็เพราะท่านเฉียบแหลมกุส โ, โลเป็นคนที่ฉลาดในขันธาตุและอายตนะเป็นต้นคำว่าพิกุปริสาอานันทังทศนายะความว่าชนเหล่าใดประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็จะไปหาพระอนนเถระก่อนและชนเหล่าใดมาได้ยินคุณของพระอนนเถระว่าได้ยินว่าพระอนน์นั้นมีความน่าเลื่อมใสยอยู่รอบด้าน อันนะั้คือจะคิดในแง่ไหนพระอนุก็เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสและท่านก็เป็นผู้ที่งามน่าชมความสามารถก็พหูสูตรทรงจําพระธรรมคําสอนเท่าที่พระพุทธเจ้าแสดงทั้งหมดเป็นผู้งามในหมู่สงฆ์เพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงกล่าวว่าภิกษุบริษัทเข้าไปพบพระอนุนคือทุกคนก็อยากพบะนะมันถ้ามีการประชุมฟังธรรมที่ไหนก็อยากให้พระอนุนนั้นแสดงธรรมให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็ ดีใจมากที่ได้พบเห็นและได้ฟังธรรมจากพระอนุนขณะเดียวกันพระอนุนก็มีธรรมปฏิสันถานมีการพูดคุยกับพี่สุบริษัททั้งหลายว่าผู้มีอายุท่านพอทนได้หรือคือท่านเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ปฏิสันถานนะเป็นคนที่เจรจา ป, ปราศัยมันจะมีการสอบทานพวกท่านทนได้ไหมพอเป็นไปได้หรือ พวกท่านทำกิจนโยนิสโมสมนัิการเจริญสมถาวิปัสนาอยู่หรือบำเพ็ญอาจารยวัดอุปชัยวัตร อ, อยู่หรือก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในสมถะและ ว, วิปัสนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้รับปฏิสันถานภิสูจเหล่านั้นก็ดีใจพอใจแล้วก็สบายใจในนาะที่ได้พบปะพูดคุยกับพระนอนไม่มีความหนักใจเลย มันพิสูนีบริษัทถ้าเข้าไปหาพระนนท์ก็เหมือนกันพิษุณีบริษัทก็พระนนท์ก็จะสอบถามว่าท่านพวกท่านยังสมาทานประพฤติครุธรรมแปประการอยู่หรือแม้แต่พวกอุบาสกอุบาสิกาพระอนนท์เนี่ยจะไม่ถามว่าท่านไม่ปวดศีรษะปวดหัวตัวร้อนเป็นต้นหรือพระนนท์ก็จะถามว่าท่านทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายสารณะสามของท่านเป็นอย่างไรเป็นยังไงตอนนี้ยังเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามั่นคงอยู่หรือยังมั่นคงในพระธรรมยังมั่นคงในพระสงฆ์อยู่หรือ เป็นต้นนะท่านอย่างรักษาศีลห้าอยู่หรืออย่างรักษาอุโบสถเดือนละ8ดครั้งอยู่หรือเพราะฉะนั้นท่านจงกระทําวัดบํารุงบิดามารดาทั้งโดยกายกรรมเป็นต้นจงปฏิบัติในสมณะพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมันจะ อ, อุบาสิกาบริษัทก็จะถามว่าพวกท่านเป็นยังไงสารณะสามเป็นยังไงบ้างรักษาศีลหารักษาอุโบสถเดือนละแปดครั้งอยู่หรือบํารุงบิดามารดาปฏิบัติในสมณะพราหมณ์ผู้ดํารงอยู่ในคุณธรรมอยู่หรือเนี่ยนะก็จะสอบถาม คนเนี่ยแปลกนะถ้าหาว่าไปถามในสิ่งที่เขาทําอยูถ่ถามในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยโอย้มีความสุขเล่าไปถเถอะคันเนี่ยพระ น, นนถามสามประโยคที่เหลือเขาเล่าให้พระ น, นนฟังหมดอันนั้พระ น, นนก็ฟังไปนี่ยนะขณะเดียวกันพอเขาพูดจบพระ น, นนก็แสดงทำต่อนี่นะนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยกระทาการเปรียบเทียบพระนนเช่นกับพระเจ้าจักรพรรดิผู้ได้รับการมูรถาพิเศษแล้ว อย่างยกตัวอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าจากักรพรรดิว่ากษัตริย์เหล่านั้นสดับว์คำพรรณนาคุณยกย่องคุณของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นว่าธรรมดาพระเจ้าจากักรพรรดนั้นเป็นคนที่รูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสเที่ยวไปในอากาศได้เถรึงเถรึงเถรวั น, วนราชสมบัติทรงธรรมเป็นพระธรรมราชาดังนี้ก็ย่อมดีใจเมื่อได้เห็นสมด้วยได้ยินพระคุณเนี่ยนะคือหมายความว่าพอได้เห็นปั๊บก็ยินดี เป็นไปตามที่เขาสรรเสริญจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความพอใจกษัตริย์ทั้งหลายแม้ตัวเองเป็นกษัตริย์อยู่แล้วก็ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะ